50 languages. 30. Muattu. ท 2. Palahara Mandira Delhi. a r i u ข Dayavittu v n d u sebinarassa kodi. ขอน้ำมะนาวค่ะด้ยวิตุวนดูนิมเบ่หันนีนารากดีขอน้ำมะเขือเทศค่ะได้วยัวิตตุวนดูทอมแโตรสักดีดิฉันขอไวน์แดงหนึ่งแก้วค่ะนันววันดูลอตาคิมปูไวน์เบคากิตุดิฉันขอไวน์ขาวหนึ่งแก้วค่ะ นั่นเก๋วนดูโลต้าบิลลีไวน์เบคากิตต์ทีฉันขอแชมเปญหนึ่งขวดค่ะนั่นเก๋วนดูซีเซแชมเปญเบคากิตต์คุณชอบปลาไหมคะ น, นินเก๋มีนูอิชตเวคุณชอบเนื้อบัวไหมคะ น, นินเก๋โกมามสาอิชตเว คุณชอบเนื้อหมูไหมคะนีนเกฮันดิมามซาอิสตเวดิฉันต้องการอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์นันเกามามซาอิลาดิรวาทินิสูเบโกดิฉันต้องการผักรวมหนึ่งชุดนันเกวนตุตเตฮัสิตร์การิกลูเบโก ี่ฉันอยากได้อะไรที่ใช้เวลาทำไม่นานนันะเกย์เยนาดะรูปาราวากิลลาอาเร์ตุมบาสมัยยาคายลาเรคุณต้องการทานกับข้าวสวยใช่ไหมคะนิมะเกอดูอันนะดอรเนเบเกคุณต้องการทานกับพาสต้าใช่ไหมคะนิม a เกอดูพาสต้าดนดิเกเบเก คุณต้องการทานกับมันฝรั่งใช่ไหมคะนี่มะเกอดูอาโลเก็ตเดียวดเนเบเกรสชาติไม่อร่อยอีดูนันะเกรุ้ชิสุดติลลอาหารเย็นชือดอีวูตาตันนะกิเดดิฉันไม่ได้สั่งจานนี้อีดันนูนานนูเคลีรลิลลา